พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีอนุรุท ธ, ธสูตรเรื่องอัปปะมานาเจโตวิมุตติและมหคตาเจโตวิมุตติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเกตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละจางไม้ชื่อปัญจกังคะได้นิมนต์พระอนุรุทธพร้อมภิกษุรวมเป็นสี่รูป เพื่อรับพัตาหารในเช้าวันหนึ่งช่างไม้ปัญจกกัดการคะาถวายของเกี้ยวของฉันอันประณีตแก่ท่านพระอนุรุท ธ, ธะจนอิ่นนนำสำราญด้วยตนเองพอเห็นท่านพระอนุรุท ธ, ธะฉันเสร็จละมือออกจากบาทแล้วจึงเลือกนั่งนาที่สมควรที่ได้ที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าและได้ถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะในเรื่องนี้ว่ามีภิกษุผู้เถระบางรูป ก, กล่าวว่า ขหบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตตอันหาประมาณมิได้เถิดพระเถระบางรูปกล่าวอย่างนี้ว่าขหบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตต์ที่เป็นมหคตะเถิดธรรมะสองประการนี้คืออปปมานาเจโตวิมุตต์เจโตวิมุตต์อันหาประมาณมิได้และมหคตาเจโตวิมุตตเจโตวิมุตตที่เป็นมหคตะ สองข้อนี้มีอัตถะคือความหมายต่างกันและมีพยัญชนะคือตัวอักษรต่างกันอย่างไรหรือว่ามีอัตถะเป็นอันเดียวกันต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นท่านพระอนุรุทธาตอบว่ามีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันโดยเหตุผลต่อไปนี้อปมานาเจโตวิมุต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 และโดยในยะเดียวกันมีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทั่วทุกทิศทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตด้วยมุทิตาจิตและด้วยอุเบกขาจิตนั้นอันภัยบูนเป็นมหากระตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ขหบดีนิ้วเรียกว่าอปปมานาเจโตวิมุต เจโตวิมุตตอันหาประมาณมิได้มหาคตาเจโตวิมุตตเจโตวิมุตตที่เป็นมหาคตะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหาคตาอยู่นี้เรียกว่ามหกคตาเจโตวิมุตตเจโตวิมุตตที่เป็นมหาคตะข้อนี้อัตถกถาอธิบายว่า น้อมใจไปสู่มหากตะชาญในกษินนิมิตนั้นปกคลุมโคนต้นไม้แห่งหนึง่งเป็นที่พอประมาณโดยกสินนิมิตอยู่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่คือน้อมใจแผ่ไปสู่มหากตะชาญในกษินนิมิตนั้นปกคลุมโคนต้นไม้แห่งนั้นเป็นที่พอประมาณโดยกษินนิมิตอยู่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแหง่งน้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองแหง่งน้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักรหนึ่งแหง่งน้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักรสองหรือสามแหง่งน้อมจิตแผ่ไปตลอดปัตต ภ, ภีซึ่งมีมหาสมุรเป็นขอบเขตหนึ่งแหง่งว่าเป็นแดนมหักตะอยู่คือน้อมใจแผ่ไปสู่มหัตะชาในเกิณนิมิตนั้น ปกคลุมพื้นที่เหล่านั้นเป็นที่พอประมาณโดยกษินนิมิตอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคกะัขหาบวดีโดยเหตุผลนี้ท่านก็จะทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่รรมะเหล่านี้มีอัระต่างกันและมีพยาญชนะต่างกันขหาบวดีการเข้าถึงพบนี้มีสีประการคือ บุคคลบางคนในโลกนี้ 1. น, น้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์อยู่ <H and ula> หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปริตตาพา 2. น้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างหาประมาณมิได้เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นอัปปม า, น า, น า, ามานาพา 3. น้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นสังกิริตธาภาและสีน้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่หลังจะตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นบริสุทธิธาภาการเข้าถึงพบสี่ประการนี้แล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 ย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันและมีรัศมีต่างกันเปรียบเหมือนบูรุษนาประทีปน้ำมันหลายดวงออกจากเรือนหลังนั้นประทีปน้ามันเหล่านั้นปรากฏมีเปลเวต่างกันและมีแสงสว่างต่างกันข้าบดัดีเทพเหล่านั้นไม่มีความดําริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้น ยอมอภิรมในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นเปรียบเหมือนมแมลงวันที่ติดไปกับหาบหรือตะกรา้ายอมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าหาบหรือตะกร้านี้ของเราเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่ว่ามแมลงวันเหล่านั้นยอมอภิรมในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นเมื่อท่านพระอนุรุท ธ, ธากล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระสพยากรจาได้ถามเรื่องนี้ว่าเทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเล็กน้อยหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้ท่านพระอนุรุทาตอบว่าโดยองค์แห่งการเกิดบรรดาเทพเหล่านี้เทพบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้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 กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแหง่งว่าเป็นแดนมหากะตะอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหากะตะจิตตภาวน า, ายิ่งกว่ากันตอบว่าจิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปสู่โคนต้นไม้สองหรือสามแหง่งว่าเป็นแดนมหากะตะอยู่นี้เป็นมหากะตะจิตตภาวน า, ายิ่งกว่า จานั้นถามโดยนัยยะเดียวกันเปรียบเทียบไปทีละลำดับซึ่งอย่างหลังย่อมเป็นมหากระตจิตตภาวนายิ่งกวา่าคือภิกษุน้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้2หรือสามแหง่งกับภิกษุน้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแหง่งกับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสแห่งภิกษุที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือ3แหง่งกับที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรหแหง่ง กับที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมาหาอาณาจักรสองหรือสามแห่งกับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมาหาปัตตภีมีมหาสมุรเป็นขอบเขตยอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมาหาปัตตภีมีมหาสมุดเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะจิตตภาวนายิ่งกว่า ท่านกัจจานะนิลาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นบางพวกมีรัสมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัสมีหาประมาณมิได้ท่านพระสพียกัจจานะได้ถามเรื่องเทพผู้มีรัสมีทั้งหมดนั้นมีรัสมีเศร้าหมองหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัสมีบริสุทธิ์ตอบว่า ท่านกัจจานะโดยองค์แห่งการเกิดนั้นบรรดาเทพเหล่านี้เทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ถามว่าเพราะเหตุอะไรจึงเป็นเช่นนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงตอบโดยเปรียบเทียบให้ฟังดังนี้เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันอันบุคคลจุดไฟอยู่แม้น้ำมันก็ไม่บริสุทธิ์แม้ไส้ก็ไม่บริสุทธิ์ ประทีปน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างริบรีแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างเศร้ามองเป็นอารมณ์อยู่ไม่ระ ง, งับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนทีนมิถะให้ดีไม่กําจัดอุทธจากกุกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างริบรี หลังจากมรณภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่เทพผู้มีรัศมีเศร้ามองเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันอันบุคคลจุดไปอยู่แม้น้ํามันก็บริสุทธิ์ไส้ก็บริสุทธิ์ประทีปน้ํามันนั้นจึงติดไฟยังไม่รีบรีแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวิเนยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแพกสินมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่ ระ ง, งับความชั่วหยาบทางกายให้ดีถอนทินะมิทะให้ดีกำจัดอุทธจากกุกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างไม่ริบรีหลังจากมรณะภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้มีรัสมีบริสุทธิ์นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวก มีรัศมีบริสุทธิ์เมื่อท่านพระอนุรุท ธ, ธกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยะกัจจานะได้กล่าวว่าท่านพระอนุรุทธะอธิบายเรื่องเทพได้อย่างนี้คงเคยอยู่ร่วมเคยสนทนากับเทพเหล่านั้นเป็นแน่ซึ่งท่านพระอนุรุท ธ, ธก็ตอบยืนยันว่าเป็นจริงตามนั้นเมื่อท่านพระอนุรุท ธ, ธกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยะกัจจานะ ได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจาการคาวา่าขหาบดีเป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วที่ท่านละเหตุแห่งความสงสัยนั้นเสด้เราทั้งสองจึงได้ฟังธรรมบรรยายนี้ดังนี้แหลจบอนุรุท ธ, ธสูตร